พากำไรเกินควรหนึ่งบาทโอ้อธิษฐานานานด้วยอหเดนดิพานที่ต่างหากแล้วก็อธิษฐานก็ไม่ฉลาดนะหนึ่งบาทนี้ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานเบื้องหน้านู้นเถิดทำไมไม่บอกนิพพานนี้เถิดบ้างละ่ะนี้นี่มันใกล้กว่านู้นนะคนเรามักจะหวังความสุขในอนาคตไม่เคยมาทําให้ชีวิตปัจจุบันมีความสุขเลยถูกไหม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 มีเงินจะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ในยามที่ท่านแก่เท่าท่าจะได้มีความสุขในบ้านปลายวันี่เป็นความหวังที่มีโอกาสเป็นไปได้เกือบจะสมหวังอยู่แล้วก็ <c oughs> <g ülme> <g ülme> พลาดหวังจนได้เนี่ยเพราะความไม่แน่นอนจึงกล้านยืนยันได้เลยว่าอนาคตเป็นยังไงอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนทุกมากเมื่อเรามีความหวังแล้วผิดหวังมีหลายคน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 คนที่ให้หน่วยใจเราก็มีและมีโอกาสพัฒนาชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเลือกอยู่ไว้ก่อนจะลําบากจะยากแค่ไหนไม่สําคัญเรานี่มันคนที่กลางกงระหว่างคนที่โชคดีกับเรากับคนที่โชคร้ายกับเราทุกคนเป็นกลางหมดเป็นกลางระหว่างคนที่โชคดีกับเราและคนที่โชคร้ายกับเราถูกไหมอย่างใ น, นเนี้ยที่นั่งอยู่เนี้ย โอ้คนที่โชคดีกับเราอาจจะเป็นท่านประธานก็ได้คนที่โชคเล่ยกับเราอาจจะเป็นผมก็ได้เรานี่อย่างเป็นกลางดีกับผมอีกผมเองนี่ก็เป็นกลางนะไอะอย่างพวกท่านเนี่ยดีกับผมทังนั้นแล้วใครที่แย่กับผมมาตอนนี้ไปดูเถอราดโรงพยาบาลศรีลาดนอนพังงาพั ง, งาบไม่มีญาติอนาถาผมว่าไอ้นั่นร้ายกับผมอีกนะเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยเป็นกลางอยู่แล้วอย่าคิดว่าเราโชคร้ายที่สุดไม่มีหรอก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 มีทุกข์ก็ย่อมมีสุขมีลบก็ต้องมีบวกเห็นไหถ้าชีวิตเราเนี่ยเป็นไปในทางลบมองไปในทางบวกบ้างเพื่อให้กำลังใจเพื่อตั้งหลักชีวิตเพราะนั้นเมื่อชีวิตต้องเป็นไปในทางลบเราต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนไปทางบวกโอ้เราดีกว่าคนอีกหลายคนเรายังมีโอกาสแต่สำหรับผมเนี่ย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 ก็เคยทําเหมืองการหลับตาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทาหลับตาด้วยนอนด้วยโอ้มันก็หลับไหลไปเลยนิ่ฟานตอนหลับอืแล้วตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมทําไม่ได้แล้วผมอแต่ว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนวิธีการเจารสติแบบเคลื่อนไหวในแนวหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเทียนนี่เขายกให้เป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติซึ่งมรณะา้าไปแล้วหลวงพ่อคำเขียนเป็นลูกศิษย์ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิเขียนจดหมายที่ต่อกัะท่านท่านก็แนะนำให้เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในอิริยาบถนอนนอนพลิกมือเล่นนะเคยเห็นไหมการเจริญสติแบบพลิกมือเนี่ยพลิกมือหงายรู้สึกตัว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 แล้วอาศัยอิเลียบทื่นอย่างเช่นพลิกตัวก็รู้สึกดื่มน้ำก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แปลงฟันล้างหน้าขับถ่ายพับผ้าห่มจัดที่นอนพับผ้าเช็ดหน้าหยิบช่วยเติมสติลงไปไม่เคลื่อนไหวฟรี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 จิตเมื่อถูกสอนบ่อยมันก็เคยชินที่จะรู้สิเคยชินที่จะรู้กลับมาลูตัวมันเองมากกว่าท่าที่เคยชินที่จะคิดปรุงแต่งไปมันกลับมาลูตัวเองกลับมาลูกลับมาลูตรงนี้ล่ะเมื่อจิตกลับมารู้ตัวเองบ่อยๆแล้วจิตมันก็จะเป็นปกติล่ะมันจะไม่ถูกความคิดปรุงแต่งจิตจะรู้สึกเบาสบายเมื่อมีกายเป็นเครื่องอยู่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 ชีวิตจะเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นชีวิตปัจจุบันเนี่ยทุกไม่เกิดนะไอท้ทุกเกิดเพราะเราคิดอดีตอนาคตรู้ที่ปัจจุบันการเจริญสติเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งคือไม่ได้มุ่งกับความสงบคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมากแล้วหลับตาปับ๊บให้มันสงบสงบคือความสยบเหมือนคนอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำเนี่อรู้แต่เรื่องในถ้ำแต่การเจริญสตินี่ไม่มั่วความสงบ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 ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดตื่นออกมาจากความคิดและก็เห็นความคิดนะถ้าออกมั่งอะไรแล้วก็จะเห็นความคิดทันทีเลยออกไปจากความง่วงเห็นความง่วงออกมาจากความคิดเห็นความคิดถ้าอยู่ในนี้มันก็คลุกคล้าวอยู่ในห้องนี้เพรา ะ, ะนั้นการเจริญเตี่ยนปกติจิตมันตื่นรู้ตื่นรู้เมื่อตื่นรู้จะเกิดปัญญาสงบที่เฉยนี่ไม่เกิดปัญญานะต้องตื่นรู้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 ทำให้จิตใจไม่เลื่อนลอยสมาธิคือทำกิทลสสงบสมาธิบางทีก็ขาดสติเคยไหมโอ้ดูทีวีเนี่ยสนุกมากมีสมาธิในการดูนะเข้าไปอยู่ในเรื่องราวเลยอันนี้มีสมาธินะเป็นสมาธิที่เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งกับการดูทีวีแต่ถ้ามีสตินี่มันไม่เข้าแล้วโอ้ผู้ ด, ดูตรงนี้ทีวีตรงนู้น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 เมื่อมีสติก็มีสมาธิด้วยแต่สมาธินั้นจะน้อยกว่าสติควบคุมจิตใจได้พลังการเจริติทำให้จิตมันตื่นรู้ตื่นรู้เพราะตื่นรู้นะเข้าเนี่ยมันมีผลการเจรติเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีความรู้สึกตัวมากๆมีสติมากๆความหลงลืมสติก็จะลดน้อยลงไปใครเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมได้น่าลืมหลัง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 อันนั้นไม่ได้เป็นการเห็นแจ้งนะอันนั้นเป็นนิมิตธรรมชาติการเห็นแจ้งนั้นคือการเห็นตัวเราการจรติเป็นการมาดูตัวเราใช่ไหมดูตัวเรามันก็ต้องเห็นแจ้งเรื่องตัวเราถูกไหมมันจะถูกฝาถูกตัวเห็นตัวเราเห็นไม่เห็นด้วยตานะเห็นด้วยความรู้สึกสัมผัสเห็นตัวเราเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเริ่มรู้จักรูปนามแล้วกายนี่คือรูป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 รูปมันทือ่อเป็นธาตุรับใช้นามนามเป็นผู้ใช้รูปให้เดินคนตายในมีน้ำไหมไม่มีอ่ะมีแต่รูปคนตายจริงไม่เดินไงไม่ทุกข์ไม่สุขเอาไม้ไปกระแทกตาคนตายก็ไม่โกรธเพราะเขาไม่มีน้ำเดีย๋ยวเราเป็นๆ เ, เนี่ยเรามีน้มน้มไม่ใช่ชื่อนามคือจิตคือความรู้สึกคิดนึกได้ ชีวิตคนเราเนี่ยมีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นแหะทุกคนมีรูปมีนามแต่รูปนามนี่ถูกสมมุติ gold, ว่าเป็นหญิงนะเป็นชายนะเป็นเด็กเป็นคนพิการอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติทางนั้นเลยรูปนามไม่เป็นอะไรเป็นเพียงธรรมชาติและสติ tu, ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรเหมือนกันคนที่เข้าถึงความรู้สึกตัวเนี่ยจะรู้ว่าความรู้สึกตัวไม่เป็นอะไรไม่เป็นหญิงไม่เป็นชาย ไม่เป็นคนพิการเป็นเพียงผู้รับรู้ไว้เฉยๆแล้วก็ใช้สมมุติความเป็นชายเป็นหญิงอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นๆปัญญาขั้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมันถอนความเป็นตัวตนไปได้บ้างถอนว่าไอ้ น, นี่เป็นเราใครมาด่าไม่ได้เราต้องดีเราต้องเหนือมันจะไม่มีเราแล้วขั้นเนี่ย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 คือการแก้ทุกร้อนเกินไปก็ทุกเย็นเกินไปก็ทุกนอนร้อนก็หนาวเข้าไวนี้ก็ไม่หนาวนะ <c oughs> หลายคนอบกุ่ในใส่สวมหมวกใส่เสื้อกันหนาวเพราะคนที่ไม่ค่อยมีไฟในร่างกายในความร้อนมันไม่ค่อยเกิดร่างกายพร้อมไขมันไม่ค่อยมีเนี่ยเพราะถ้าคนไขมันมีมากานเนี่ยต้องขอบคุณมันนะ มันช่วยอบอุน่นถ้า้อมแห้งอย่างผมนี่มันหนาวง่ายแล้วมันไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวต้องอาศัยความอบอุนน่นนะทุกทั้งนั้นเลยทุกจากความเมื่อยความปวดความร้อนความหนาวความหิวอันนี้คือความทุกข์ของกายเราได้เรียนรู้ไม่รู้จากตำรารู้จากได้สัมผัสเลยแล้วก็แก้ไขไปอย่างผมเนี่ยจะทุกข์มากกว่าอื่นที่ว่ากระดูก ข้อที่ห้าทีมนหักเนี่ยมันจะควบคุมระบบต่างๆในร่างกายหลายระบบระบบหายใจปอดเนี่ยผมทำงานได้ไม่เต็มที่หรอกเพราะกระดูกที่มันหักเนี่ยมันควบคุมประสาทเกี่ยวกับการช่วยหายใจผมนี่จะหายใจได้ไม่เต็มร้อยนะหายใจแค่เนี้ยปากถึงคอแค่เนี้ยคนเราเวลาหายใจเนี่ยไม่ต้องหายใจถึงท้องเลยหายใจคั่วท้องอย่าผมหายใจไม่ทั่วท้อง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 กายพยายามบอกเราเมื่อก่อนเราไม่ได้เจริญสติเราไม่รู้เลยมันบอกเราก็ไม่รู้แต่พอมาเจริญสตินี่โอ้โหกายมันบอกเราทุกอย่างเลยมันบอกเราว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็เรียนรู้ไปมันเป็นทุกข์ของรูปแต่ไม่ทุกข์ของเราไม่ทุกข์ของเราเนี่ยพอเจริญสติแล้วมันดูไม่ไม่ใช่เรานะเป็นเรื่องของรูปเหมือนดูคนอื่นเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์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 เห็นรูปเนี่ยเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นเป็นทุกข์รูปเหมือนคนป่วยคนไข้เหมือนเด็กอ่อนเราคือผู้พยาบาลมันจิตมันลาออกจากความพิการตรงเนี้จิตไม่ต้องพิการด้วยแล้วเป็นเพียงผู้รับรู้รับทราบความพิการเป็นเรื่องของกายสบายเลยลาออกมาแล้วลาออกจากความพิการตั้งแต่ปีพศ2538จนปัจจุบันเนี่ยลืมไปแล้วว่าเราเป็นคนพิการ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 ฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันทุกข์ด้วยต้องเปลี่ยนใหม่นะผู้ที่มีปัญญาเธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยแต่ฉันช่วยเธอไม่ให้ทุกข์ได้มันต้องแบบนี้อย่าไปทุกข์ด้วยไม่มีใครช่วยใครกอดคอกันร้องไห้ไม่มีประโยชน์เลยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยแต่จะช่วยเธอไม่ให้ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ดีกว่ากายกับจิตก็เหมือนกันสบายเลย กายทุกเราไม่ต้องทุกแต่ช่วยกายอันนี้เป็นส่วนหยับยาบนะสติมีปัญญาเอาชนะความทุกข์ทางกายได้แต่ถ้าเราจเจริญไปนานๆรู้สึกตัวแปลงนานรู้กายเคลื่อนไหวแวลงนานิรื่อต่างๆนอนนั่งยืนเดิ น, นดื่มเคี้ยวการทำงานให้รู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเานี้ทำได้ทั้งวันตั้งกลาเชา้าจดเย็นหลับแล้วก็แลกันไป เมื่อสติมันจเจริญถึงจุดหนึ่งเคียกเต็มรอบมันจะเห็นส่วนละเอียดยิ่งกว่ากายส่วนละเอียดยิ่งกว่ากายคืออะไรชีวิตมีสองอย่างคือกายกับจิตเมื่อเห็นกายแล้วต่อไปเห็นจิตที่จริงเห็นจิตนี้ไม่ได้ไปสวรรค์นนะนเห็นจิตเนี่ยเท่ากับได้ต้นทางของนิพพานเลยถ้าใครเจริญสติแล้วเห็นรูปเห็นนาม ได้ต้นทางของการปฏิบัติแต่ถ้าเห็นรูป น, นามแล้วจิสติต่อไปเห็นจิตที่มันคิดนึกได้ต้นทางของพระนิพพานเลยงงไหมงงก็รู้ว่างงนะอแต่ว่าเรารู้จิตแล้วนะเพราะอะไรจิตเนี่ยเป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้แต่เราสามารถสัมผัสได้จิตคือความรู้สึกคิดนึก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 เป็นต้นตอของความทุกข์เพราะอะไรเพราะความคิดเนี่ยมันนําเอาอะไรมาสู่จิตใจเราราคะโทสะโมหะกิเลส ต, ต่างๆมากับความคิดตัางนั้นภพชาติก็มาจากความคิดถ้าเรากโกรธโอ้นี่โกรธนี่สัตว์นรกนี่เรากโกรธเมื่อเรากลายเป็นสัตว์นรกทันทีเลยถ้าเราโลภ โอ้นี่มันเป็นเปเรตเทาโลภอยากได้ไม่สิสุดนี่เราเกิดเป็นเปรตแล้วเรากลัวจิ้งจกกลัวตุกแกกลัวไม่เรียกวกลัวอะไรแต่มีกลัวก็แล้วกันนั่นเราเป็นอสุรกายอสุระแปลว่าความไม่กล้าถ้าสุราแล้วก็กล้าเห็นไหคนดื่มสุราจึงกล้าอ่าหามเราไปตีเขาหน่อย <S <S 1> <S 1> ถ้าเราโง่หลงงมงายคือสัตว์ดิลจาร์ถ้าเราทําบุญให้ทาน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 ถ้าคิดเมื่อยแล้วก็เราเป็นไงทุกเลยเราเคยทำความดีอะไรไว้ถ้านึกถึงความดีกรรมดีส่งผลเรามีความสุขถ้าคิดถึงความดีไม่ได้ใจเราก็เป็นสุขไม่ได้และใครนำออกกรรมเหล่านี้มาคือความคิดงนั้นนะความยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเป็นกรรมถ้าคิดขึ้นมาแล้วเราปล่อยวางได้มันก็ไม่เป็นกรรมกรรมเกิดจากความคิด กำก็จากความยึดมั่นถือมันตัวตนนะตัวตนก็มาจากความคิดแต่เงี้ยความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนก็คือมาจากความคิดความยึดมั่นถือมั่นคือความคิดแต่เงี้นเพราะอะไรความคิดเนี่ยคือกระแสของความทุกข์มาสู่จิตใจเราคิดดีเนี่ยเป็นทุกข์ไหมคนฆ่าตัวตายเนี่ยคนคิดดีแั่เงี้ยนะคิดดีก็คือความคิดคิดเป็นกุศลนี่ก็คือความคิด แต่มันทุกข์ว่าไรเพราะเราไปยึดติดจะต้องได้อย่างความคิดเราทําความดีแล้วทําไมไม่มีใครมาชมเราทําไมไม่ได้เงิน <c oughs> แล้วทําไม่ได้ที่เราคิดด้วยโอ้ทุกข์มากเลยเนี่ยติดดีทําดีแล้วไม่ได้ดีก็ตรงเนี้ยเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดดีดีทําไปเถอะแต่อย่าไปยึดติดเราทําความดีก็เพื่อความดีถ้าทําความดีเพื่อให้เราดีแล้วก็อันตราย มันมีตัวเราไปรับความดีถ้ามีตัวเราแล้วก็มันต้องดีต้องเก่งเนี่ยจะไปทุกตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นความดีคิดเด่ทำเดิ่แต่อย่าไปยึดติดนะทำดีแล้วก็แล้วกันธรรมะจึงมีการสอนระดับสามชั้นไงละความชั่วทําความดีแล้วก็ทําจิตใจให้ฟ่องแผลวคือไม่ยึดทั้งดีทั้งชั่วจิตจึงจะบริสุทธิ์ไงเนี่ ย, ยคือดิพานเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันพาความทุกข์ผัสสู่จิตใจเราถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่น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 เพราะเราขาดสติพูดตามความคิดพูดตามอารมณ์เราเพราะรู้ไม่ทันที่บอกว่าบางทีอย่ารู้นะเมื่อเราคิดอย่าจะออกจากความคิดพยายามไปต่อต้านพยายามไปห้ามอยากจะออกจากความคิดเอาความคิดเพื่อจะออกจากความคิดมันก็เหลือความคิดเอาความคิดออกจากความคิดไม่ได้หรอกเหมือนเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่อ่ะมันก็ยังสกปรกเพิ่มพยายามออกจากความคิดแล้วไปคิดเอาไม่ออก เพราะอะไรเขาเรียกว่าพวกนี้ติดอารมณ์เห็นไหมติดอารมณ์โอ้ค้างคาใจมาตั้งแต่ที่ทำงานติดไปถึงที่บ้านเอาไ้เผื่อแผ่ญาติบ้านเรื่องที่บ้านวุ่นวายเอา้ามาที่ทำงานมาเผื่อแผ่เพื่อนเขาเรียกติดอารมณ์ติดอารมณ์เหมือนใจติดคุกกันแหละออกไม่ได้พอคิดตีไรมันก็ลากความคิดลากจิตลากใจไปเพราะว่าสติน้อย ความคิดรุนแรงสติน้อยเราจะต้องมาเจริญสติมากๆนี่เห็นความคิดเห็นจิตเลยนะเนี่ยสติพาไปเห็นจิตต้นตอของความทุกข์คือความคิดนี่เองเนี่ยความยึดมั่นหรือมั่นไม่ใช่รังเกียดไม่ใช่ห้ามแต่ให้รู้ทันเนาการเจริญสติเป็นการเรียนรู้ชีวิตทั้งรู้กายรู้ใจเราอย่าไปห้ามมันเพียงแต่เจริญสติมากๆ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 รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในตัวเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยความสุขตัวเนี่ยเป็นทั้งมรรคทั้งผลอยู่ในตัวเสร็จเนี่ยมันก็มีความสุขจิตมันก็ดีเมื่อจิตดีเนี่ยร่างกายก็ดีด้วยผมเนี่ยพิการมายี่สิบเก้าปีแล้วอยู่ไม่ได้อย่างไรพราะจิตมันดีถ้าจิตไม่ดีเนี่ยผมก็คงจะเสียชีวิตเป็นนานละเมื่อจิตดีกายก็ดีการทํางานก็ดี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 มุ่งให้ผู้อื่นมากกว่ามุ่งหวังจากผู้อื่นเมื่อเกิดความมั่นใจก็มีความสุขในกา ร, ร, รทำสมาธิอย่างวันนี้ยมาพูดเนี่ยไม่ได้คิดว่าใครจะตั้งใจฟังนะไม่ได้หวังว่าเขาจะเอาไปใช้ไม่ไดหวังวเขาจะตั้งใจฟังแต่เรามีหน้าที่พูดก็พูดเถอะแต่เขาเป็หน้าที่ฟังมันเลือกของเขาเห็นไ่ม ป, ประโยชน์ของเราคือทําแล้วให้เขาได้รับประโยชน์แล้วเราเองก็ได้รับประโยชน์ด้วย มาเลยเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานแบบนี้ญาติธรรมก็เหมือนกันผมเองนี่พูดธรรมะขั้งที่สามแต่ก่อนนั้นก็ปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็เริ่มพูดธรรมะขั้นที่สาถูกเชิญไปโรงเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนมัธยมแปดร้อยคนนักเรียนแ800ดร้อยคนมานั่งฟังพูดขั้นที่สามนั่งกับพื้นอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปพูดเนี่ยครูจับปูใส่กระด้งมาแนละ้วเด็ก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 ถอยหลังไปสามช่วงคนเราก็รู้วอ๋อเด็กถอยหลังอ๋อนะ่ากลัวเด็กเขากลัวเราจะไปชนเขาเนี่ยเราก็นั่งคุยพอเริ่มพูดเนี่ยเราก็บอกว่าความเป็นมาของผมนี่เป็นอย่างไรนพิการเกิดจากอะไรก็เออไม่ใช่เอิดเนี่ยพยับเข้ามาอีกนะฮะพอพูดไปพูดมาคนพิการอย่างผมเนี่ยขับถ่ายไม่รู้สึกหรอกนึกจะปัสสาวะก็ปัสสาว ะ, ะอุจลาร์อุจลาร์มาทันทีเลยถอยหลังไป อ่พอพูดมาตอนสักยี่สิบนาทีเนี่ย ก, การจริตสติเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการฝึกจิตให้รู้พอจิตรู้แล้วมันจะเรียนเก่งโอ้ขยับขึ้นมาอยู่แค่สองครั้งสามครั้งพอเลยนาทีที่ยี่สิบตอนนั้นเองให้ฝึกฝพก่ครึ่งชั่วโมงจะเข้าสู่การปฏิบัติเริ่มมีธรรมะนะแล้วเอาล่ะเด็กเริ่มแสดงนิจายเด็กออกมานะ แยะการเล่นเกมที่มีนกล่อนผมก็พูดไปเรื่อยหน้าที่ของเราเนี่ยหน้าที่ฟังคือเขาหน้าที่เราคือพูดพูดไปจนจบจบแล้วก็อวยพรเสร็จเด็กข้างหน้าสาธุข้างหลังตบมือโอ้ได้สองคะานนเลยคะานนคนนสาธุข้างหลังตบมือพูดจบก็เข็นรถไปคุณครูออกมาตอบทันทีเลยต่อว่าเด็ก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 ธุรกิจนะแต่ถ้าเราทำด้วยใจเนี่ยเป็นธุรกิจบุญได้เหมือนกันนะธุรกิจบอกบุญไม่ได้เรียออะไรธุรกิจบอกบุญให้คำแนะนำช่วยเหลือเา้าเป็นการทำแบบบำบัดทุกบํารุงสุขได้เหมือนกันถ้าเราทำด้วยความเมตตามุ่งประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญแล้วก็เราทำงานแบบมีความสุขจะทาให้เรามีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น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 การมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยกระตือรือร้นเป็นการให้กําลังใจตัวเองก็ขอให้กำลังใจว่าไม่ว่าเราจะผิดหวังผิดพลาดในครั้งแรกครั้งเล่าก็อย่าไปท้อแท้ใจอดทนทำความเพียรที่จะหารายต่อไปด้วยความเข้มแข็งอดทนด้วยความขยันมองโลกในแง่ดีด้วยความมั่นใจ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 อ๋อนี่มันโกรธแล้วรู้ทันมาจิตมันโลภให้มีสติรู้จิตมันหลงก็ให้รู้ถ้าเรามีการเจริตในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะปิดประตูบายได้นะตกนรกก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าปัจจุบันไม่ตกอนาคตก็ไม่ตกถูกไหมมีสติซะนั่นอะมันปิดประตูบายได้ประกันชีวิตประกันข้ามภพข้ามชาติได้ไหมประกันได้ไม่ว่าเราจะมีความสุขประกันชีวิตก็เพื่ออะไรเพื่อให้ความสะดวกสบาย หลังจากที่ประสบปัญหาจึงจะได้รับเปี้ยประกันแต่ถ้าประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ยชีวิตก็มีความสุขประกันข้ามภพข้ามชาติเลยรับรองปิดประตูบายได้ตายไปไม่ตกนรกมีโอกาสจะไปสุคติคือขึ้นสวรรค์ถ้าถึงนิจดุดเนี่ถึงนิพพานเลยเห็นไหมมีบริษัทไหนประกันให้ถึงนิพพานได้บ้างพุทธบริษัทนี่นะ ประกันชีวิตข้ามภพข้ามชาติไม่ตกต้งลกปิดประตูระบายมีนิพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นให้พวกเรานี่ประกันชีวิตด้วยธรรมะกับพุทธบ ร, ริษัทโดยใช้สโลแกนที่ว่าถ้าประกันชีวิตด้วยธรรมะย่อมชนะความทากุกข์ทั้งปวงเนี่ยผมคนพิการนะนำเสนอนะแต่ไม่ได้ขายปกติแล้วคนพิการเนี่ยไปทรประกันที่ไหน เ, นเขาไม่รับหรอกแต่พุทธบริษัทเนี่ยรับ และรับทุกคนด้วยสนใจัหมอย่ารอให้พิการอย่างผมนล้ก่อนแล้วใครปฏิบัติธรรมนะเรามีโอกาสแล้ว